ขอรับพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านคุณวิชัยเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงงานด้านสิ่งแวดลอ้อนมะซึ่งทางหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโ น, โน ไ, ดได้ได้ิเริ่มเอาไว้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องสาคัญนะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขป่านี่ไม่เพียงแต่จะให้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 มีอยู่ก็ค่อยๆทุเราเบาบางอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงฆ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินะ น, นือกจากการให้คุณค่าในทางธรรมะเพราะว่าถ้ า, าว่าเราได้อยู่สัมผัสความสงบในธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้เห็นตัวเราเองชักเกดเจนขึ้นเห็นกายเห็นใจอย่างที่เป็นธรรมะที่แสดงโดยธรรมชาติเนี่ยใจของเราสามารถจะเปิดรับ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 สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจหรือเพื่อได้พบกับความสนุกเท่านั้นนะแต่ว่ายังปรารถนาที่จะเห็นความสงมบยังปรารถนาที่จะเข้าถึงความสงบในจิตใจด้วยอย่างไรก็ตามคนเราเนี่ยคงไม่สามารถที่จะดันต้นไปสัมผัสกับธรรมชาติปาเขาลานาวทามได้ตลอดเวลา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 ในสามเดือนข้างหน้าหกเดือนข้างหน้าว่ามันจะพันปวนแปรปวนยิ่งกว่าตอนนี้ใจเราทุกข์ใจเรากังวลขึ้นมาทันทีมีความสุขหนักองมาใจขึ้นมาทันทีหรือบางทีก็สุร้อนรุ่มทั้งๆ ท, งที่อยู่ในห้องที่เย็นสบายความทุกข์มาอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ถ้าใจเราม่อยู่ตรงนี้ด้วยอความสุขมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าใจเราไม่อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะใจเรานะไม่อยู่กับปัจจุบันจะหาความสุขได้ยากมาก พูดไปแล้วว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะอันนี้หมายถึงความทุกข์ใจนะความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่้าสบเก้าเปเซนเนี่ยเกิดจากการที่ใจเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันใจมันม่อยู่กับดีกับอนาคตด้วยเหตุ น, นี้พระเจ้าเนี่ยจึงตรัสเอาไว้ว่ า, วาบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงพระวงนี้รวมไปถึงกังวล ว, วิตกด้วย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 นะใจนี่เป้าเลยนะหมอกกลัวว่าหมอจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งเพียงแค่คิดว่าเนี่ยหมออาจจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งหรือผลวินิจฉัยอาจจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งหรือติดเชื I ้อชัยวีเนี่ยนะใจเราห่อเหี่ยวเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนะอันนี้แหละคือคือความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ธรรมาชาติของความทุกข์คนส่วนใหญ่คือใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบนันแต่ไปอยู่กับอดีตกับอนาคต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 มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่เพอแค่นึกถึงเนี่ยก็ทุกข์แล้วเวลาที่อาจารย์มาพูดว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขเนี่ยในที่นี้หมายถึงสุขใจสุขกายนี่ไม่รับรองนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเจอความร้อนเราองเจออากาศหนาวเราจะหิวเราจะป่ะวยแต่ว่าถึงแม้เราจะทุกข์กายอย่างไรเราสามารถจะมีใจที่สุขได้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 แต่มายเาทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วถ้าคุณไม่เจ็บไม่ป่วย <t> ก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือความสุขแล้วที่อาจจะไม่ได้ตระหนักลองคุณเจ็บป่วยดูสิพรุ่งนี้มรืนเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนที่ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดฟันไม่ปวดท้องเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วถ้าคุณไม่หิ ว, วท้องคุณอิ่มพึงตระหนักว่านั่นแหละคือความสุขแล้ว พรลองคุณหิวลองคุณไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับเด็กในแอฟริกาเนี่ยหรือว่าต้องไปติดค้างในเกาะเวลาหิวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการที่เราได้ได้มีกินกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยเป็นสุขแล้วถ้าคุณไม่พิการนะคุณยังมีตาที่มองเห็นยังมีหูที่ได้ยินยังมีมือที่จับต่องและขาที่เดินหนไปไหนได้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 พอเล่นฉลองเสร็จโค้ดทีมชาต ก, ก็มาบอกเธอว่ามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบพ่อเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองสามวันก่อนด้วยอุบัติเหตุเธอร้ อ, องไห้โฮทังทีเลยโค้ดเนี่ไม่ได้บอกความจริงให้แก่เธอก่อนหน้า น, นี้เพราะว่ากลัวเธอจะไม่มีสมาธิากับการเล่นเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นกีฬาเธอร้ อ, องไห้โฮแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อกลับคืนมาขอพ่อกลับคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้ว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 คนเราเนี่ยมันจะเห็นคุณค่างสิ่งที่เรามีก็ตอนเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปแต่ตอนที่สิ่งนั้นยังอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ต้องเห็นคุณค่าแล้วเราสนใจอยากจะได้สิ่งที่เราไม่มีอยากจะได้โนู่อยากได้รถนะอยากจะได้บ้านนะอยากจะได้ถูกลอตอตอนเราตืน่นรางวัลที่หนึ่งเราคชืว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นเราจะมีความสุขแต่เราลืมตรหนักว่าถึงคุณไม่มีเนี่ยคุณก็มีความสุขได้ถ้าคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ สุขภาพร่างกายลมหายใจตาที่มองเห็นมือที่จับต้องอะไระะได้ทํางานได้คราเท้าที่พาคุณไปอิสระพ่อแม่ลูกหลานคนรักที่ยังอยู่เพียงแค่คุณมาตระหนักในคุณทางสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณจะมีความสุขได้ ง, ง่ายขึ้นปัญหาคนทุกวันนี้คือว่าไม่เห็นคุณทางสิทธิที่ตัวเองมีแต่ไปสนใจสิ่งที่ติดดวงสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีสิ่งที่ตัวเองไม่มีเป็นจะเป็น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 มาคิดได้ว่าทุกวันนี้แันก็ยังมีกินยังมีกินยังมีอาหารกินอร่อยอร่อยอยู่ยังมีบ้านพักที่สุขสบายได้อาศัยนะพอมาคิดแบบนี้เข้าวฉันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตก็ยเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพอมาคิดได้แบบนี้ก็เลยรู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เสียไปถ้าเธอมาเสียถ้าเธอมากังวลหรือนึกถึงเงินหกสิบล้านที่เสียไปเธอจะไม่มีความสุขเลย ถ้านั่งที่สิ่งที่เธอมีเนี่ยมันมีมากมายหลายเท่ากับสิ่งที่เสียไปเพิ่มเธอมาคิดได้เมื่อเธอขันมาตระหนักว่าเออฉันก็ยังมีมีกินอย่างสบายมี ท, มที่มีที่หลับที่นอนซึ่งเป็นเครื่อหาชีวิตไม่ได้ทุกข์ลงชีวิตไม่ได้ลําบากไปกว่าเดิมเลยเพราะว่าเงิเือนเงินเงินที่หายไปก็เป็นแค่ตัวเลขมันไม่ได้ทำให้ชีวยยิตของเธอนี่แยงไปกว่าเดิมเลยก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมพอเธอม า, ม, า, ม, ามองเห็นสิ่งที่เธอยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทุกข์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 คนที่มองแง่ลถเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาเสียตลอดเวลาแต่ที่เขาเองเนี่ยอาจจะได้โชคได้ลาภด้วยซ้ำอาตมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นหุ้นนะตอนนี้ก็เริ่มซาลงไปแล้วเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มเล่นน้อยลงแต่ตะก่อนนี้เล่นเป็นกิเป็นจังมากแล้วก็วันนึงก็ไปเจอคุณป้าคุณที่ตลาดหุ้นคุณป้าคนที่บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเพิ่งขายหุ้นไปตัวหนึ่งรถใหญ่เลย ได้กําไรสิบล้านาเพื่ อ, อตมะก็เลยบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าตอบว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรละยี่สิบล้านคุณป้าไม่ได้ดีใจนะได้สิบล้านท่ะเทที่มันมากกว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ทําไมฮะคุณป้าไม่ได้เพื่อนตัวเองได้สิบล้านคุณป้าเพื่อตัวเองเสียสิบล้านใช่ไหมเพราะถ้าเพราะคุณมันขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าถ้าเธอขายหุ้นวันนี้เธอได้ยี่บล้าน แทนที่คุณป้าจะมาว่าเธอได้สิบล้านเธอมองว่าเธอเสียสิบล้านพอคุณมองไปปอกนี้ปุ๊บเนี่ยสุดเลยทุกเลยวันรุ่งขึ้นคุณป้าไม่มาที่ตลาดพื้นเมือเธอเพื่อนตาดก็เลไปถามาร์เก็ตติ้งที่รู้จักคุณป้าที่เท้าคุณป้าไปไหนได้คําตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วทรานะหมฮะเข้าโรงพยาบาลเพ่าไรเครียดฮะเครียดที่ได้สิบได้กำไรแค่สิบล้านเพราะนี่เป็นตัวอย่างนะคุณคุณได้เท่าไหร่เนี่ย คุณก็ไม่มีความสุขถ้าคุณหวังแตไม่เป็นคุณได้สิบล้านแต่คุณมองว่าคุณเสียสิบล้านคุสิบล้านคุณมันหลุดไปจากมือไปเลยคุณทุกข์เลยหรือถ้าคุณเปรียบเทียบคนอื่นหรือเองคุณคิดว่าฉันน่าจะได้ยี่สิบล้านเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณนจะได้ยี่สบล้านคุณก็ทุกข์ไม่ว่าคุณจะได้เท่าไหร่คุณได้ร้อยล้านคุณก็ทุกข์ถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะได้สองร้อยล้านเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณรู้จักมองเห็นสิ่งที่คุณมีหรรรรืือออเเปล่่่าานนซึงงงัััี้มมมสพกกบแแยูโ ถ้าคุณมองแง่บวกคุณก็จะมองคุณก็จะมองเห็นสิ่งที่คุณมีถ้าคุณมองแง่ลบคุณก็จะเห็นแต่สิ่งที่คุณไม่มีหรือสิ่งที่คุณไม่ได้มานะสำคัญมากมีผู้หญิงหญิงสาวไต้หวันคนหนึ่งนะั่แกอายุสาม ส, า ส, าสาาิบได้ตอนนี้เกิดมาพิการพิการทางสมองพูดไม่ได้เดินเหงายกลําบากสื่อสารได้ด้วยการเขียน เราคิดดูเสเ็จว่าถ้าเราเป็นแบบเธอจะทุกข์แค่ไห น, นอนาคตจะมีไหมบอกว่าเธอเนี่ยภาคเพียนจนสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกจาก UCLA ประเทศอเมริกามาวแทยาลแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสสาขาศิลปศาสตร์เป็นหมหาวิทยาลัยต้นของโลกนะขณะคนธรรมดาที่มีมือมาเนี่ยยังน้อยคนที่จะเรียนได้ถึงขนาดนั้น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 ห้องประชุมนิ่งเงียบกริบเลยนะเพราะว่าเป็นคำถามที่มันตรงเกินไปไม่ควรถามคนพิการแต่เธอก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลเธอก็ยิ้มแล้วก็เธอก็ฉันไปเขียนคำตอบเธอในกระดานเธอบอกว่าเธอเขียนว่าฉันรู้สึกกับตัวออย่างไรข้อหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักข้อ 2. นะฉันมีเรียวขาที่สวยงามข้อสพ่อแม่รักฉันข้อสี่พระเจ้าก็รักฉันข้อหฉันเขียนลูก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 ก็อย่าไปสนใจมันมากสนใจแตสิ่งที่ตัวเองมีนะและชื่นชมมันให้ได้นะนั่นถึงแม้วถ้าคุณมอแบบนี้ถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้เนี่ยคุณจะขาดอะไรไปเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเท่าไหร่เพราะคุณจะเห็นคุณจะตระหนักเสมอว่าคุณยังมีอะไรอีกมากมายซึ่งสามารถจะให้คุณมีความสุขได้มีพี่อินไทยคนนึงคิดคล้ายกันนะมีทัศนคติคล้ายกัน เธอเกิดมาเนี่ยเป็นโรคทรัสซีเมียเป็นโรคทรัซีเมียรโรคเลือดอย่างแรงเลยนะพ่อพ่อกับแม่นี่มี ม, ม, ม, มีเป็นพหาหะทั้งคู่คนไทยเป็นเป็นมีเป็นพาหะทรัสซีเมียนี่เป็นสิบล้านนะเ้าพ่อแม่แต่งงานกับปุบนี่เป็นเลยลูกนี่เป็นเลยเธอเกิดมาพิชเธอเกิดมาเป็นทรัทรสซีเมียอย่างแรงหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่ถึงยี่สิบปีแต่ว่าเธอกับน้องกันสองคนเนี่ยก็อยู่ได้สามสิกว่า รู้สึกคนน้องคพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามสิบปีก่อนคือพอเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยตัวจะแกรง็งตาจะโปรนร่างกายอ่อนแอมือข้าวไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่ากระดูกมันเปราะนะล้มทีไรเนี่ยแขนหักขาหากักสองคนนี้ใส่เฟือกันมาเป็นสิบครั้งแล้วต้องรับเลือดเป็นประจำชีวิตแบบนี้เนี่ยจะมีความสุขเหรอแต่เธอมีความสุขนะ ไปเป็นดีเจคลื่นวิทยุความสุขเมื่อหลายปีก่อนมีคนถามเพื่อเธอมีความสุขได้อย่างไรเธอบอกว่าคําตอบถึงง่ายๆถึงแม้เลือดฉันจะแย่แต่ฉันมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันมีอหูฟังเสีงยงไพเลาะได้ปากฉันกินของอะไรก็อร่อยเดินเลือไปไหนฉันก็เดินได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคือเธอเธอเธ อ, เธอมองเนี่ยเธอคิดเหมือนคน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 ผิวก็ไม่คล้ำสุขภาพก็ดีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากจนเรียนอบอุ่นแต่ถ้าเธอเธอมองเห็นแต่สิวที่มันอยู่ในใบหน้าเนะี่ยเธอจะไม่มีความสุขเลยหลายคน ม, มีพร้อมทุกอย่างแต่เพียงแค่แต่ทุกข์เพราะเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าวัยรุ่นเป็นกันเยอะนะคือมีพร้อมทุกอย่างแนละ้วเพีแต่เพียงว่าแค่มีสิวอ่ะทุกวัยรุ่นในอเมริกา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 แต่ไม่แต่มาคอไอสิ่งที่ไม่ดีไม่แก้ไขนะเควรจะแก้ไขท้ามันแก้ไขได้แต่ว่ามองแง่บวกย่างหมายถือว่าไอาสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างด้ว ย, ยอันนี้นก็เป็นการมองในแง่บวกมองในแง่บวกนี่มันมีหลายความหมายมองเห็นสิ่งที่มีไม่มองเห็นสิ่งที่ขาดมองเห็นสิ่งที่ดีไม่มองเห็นสิ่งที่มันแย่นี่ก็เป็นความหมายมองมองในแง่บวกเที่ามาพูดมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ น้ำใจงามมากแกชอบพาคนไปแกชอบไปช่วยเหลือดินแดนถิ่นธุรกันดาลบางทีก็พานักศึกษาคนหมุนศาไปทำค่ายเพื่อช่วยเด็กเยาวชนในต่างจังหวัดคราวหนึ่งขเขาขนนักศึกษานะไปทำค่ายในโรงเรียนธุรกันดาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสร็จสอบ ก, ก็กลับเขาเองเต้องจะต้อไปแกสอดต่อ แต่ว่าขากำเนี่ยก็กลับกับนักศึกษาที่พามาออกค่ายแม่หองสอ น, นโค้งเยอะปรากฏว่า <c oughs> โครงของเขาเนี่ยบนรถเนี่ยมาตกเหวเดี๋ยวนี้เ ไ, ได้ได้ฟังบ่อยนะรถตกเหวเนี่ยรถคันนี้ก็ตกเหวเหมือนกันตอนที่ตกเหวเนี่ยเขาภาวนาเลยนะว่าขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยปรากฏว่าทุกคนรอดปลอดภัยจริงๆแต่เขาเองนั่นแหละ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 แต่ว่าหนุ่มคนนี้นี่แกแกปลอบใจเพื่อนแกพูดให้สติเพื่อนแกไม่ได้เสียใจเลยแกพูดกับเพื่อนว่า ก, ก, ก็ทําความดีนะเซ่ถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวคนมองไม่คนมองเนองอี้ยเราก็บอกโอ้โหทําไมที่การครึ่งตัวแต่เธอมองเอฉันยังฉันยังทํางานฉันยังมีปกติครึ่งครึ่งตัวในขณะโจอุบัติเหตุนะ ยังรอดมาได้ต้องแทนทีนะเพราะทําความดีถ้าไม่ทาความดีป่านนี้ไม่เหลือแล้วเธอมองเขามองอีกแบบหนึ่งเลยนะคนหนึงมองว่าทําไมทําความดีถึงพิการแต่เขามองว่าก็าทําความดีเนี่ยถึงรอดมาได้อย่างนี้นนี่เรียกว่าเป็นการมองนแง่บวกเพราะเห็นว่ามคุณสามารถจะมีความสุขได้ทุกที่เป็นสุขในทุกสถานการณ์ถ้าว่าคุณสามารถจะมองในมุมนี้บ้างได้ ไดด้้ดดวยนะมองแง่บวกไหมครับว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณก็มองว่ามันดีเสมออาตมาเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยหนักนะที่หัดใหญ่นะอาตมาอบรมประเชิญความตายสงบเสต่ตอนตอนบ่ายวันสุดท้ายก็พาไ ป, ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยผู้ป่วยหนักซึ่งมันจะเป็นต้องเป็นผู้ป่วยแล้วสุดท้าย <c oughs> จิตอาสาคนหนึ่งก็ไปเจอเด็กอายุสิบสี่นะผู้หญิงผมร่วงหมดเลย เพราะวาเอเป็นมเร็งสมองแต่ว่าเด็กคนนี้นี่โอภาปาศราีมากชวนคุยไม่มีอาการเศร้าโศกหดผู่เสียใจเธอชวนจิตอาสาวาดรูปเล่นเพราะว่าเธอก็อวาดรูปค่าค่าเวลาแล้วก็เป็นความเพลินจใจของเธอด้วยพุยไปเธอมาเด็กก็บอกหนูโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งบนลูกเพราะว่ามี่ยากน่งเป็นมะเร็งปากบนลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง ผมเป็นมะเร็งสมองนี่ยังเห็นยั ง, ยงมองว่าเป็นโชคเนีเนี่ยแต่ที่ตรงการที่เด็กซึ่งเป็นสิวเนี่ยเป็นทุกข์มากกุมหัวกุ้มใจแต่คนหนึ่งเป็นมะเร็งสมองยิ้มนะเพราะเขหมอว่าเขาโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกไอ้ถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ยคุณมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้ในทุกสถานการณ์เงินหายคุณก็มีความสุขเพราะคุณหมอเออหายร้อยดีกว่าหายพั น, นหรือว่าหัวศัพท์หายก็ดีดีกว่ารถหายนะ คุณจะมองแบบนี้อยู่เสมอแต่ถ้าคุณมองไม่เป็นนะคุณได้สิบล้านคุณก็ทุกใช่ไหเห็นไหมทีไรเนี่ยสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่ได้เพื่อคุณได้อะไรไม่ได้เพื่ามันคุณเจออะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่มีเพื่อว่าคุณมองกับมันอย่างไรคุณรู้สึกกับมันอย่างไรคุณได้โชคได้ลาภถ้าคุณมองไม่เป็นคุณก็ทุกเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าได้แค่สิบล้านแต่ถ้าคุณมองเป็นคุณเป็นมะเร็งคุณก็ยังยินได้ว่าโชคดีที่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 น้องโยนี่คิดถึงป้าเห็นป้าร้อง อ, อัดโอยแล้วน้องน้องโยก็ไม่อยากจะเพิ่มความทุกข์ให้กับป้าเพราะถ้าน้องโยร้องป้านี่คงยาหัวใจแตกสลายเลยนะแทบแตกสลายน้องโยนี่คิดถึงป้าเก็เลยรู้สึกวความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องแต่ถ้าน้องโยคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยน้องโยจะต้องทวนครางหรือว่าร้องตลอดทางเน่ถ้าคิดว่าโวยเนี่ย แล้วต่อไปฉันจะแตะงวันได้ยังไงหรือว่าต่อไปฉันจะหาแฟนได้ยังไงเดินขากระเพดแบบนี้หรือขาพิการแบบนี้แต่น้องโยไม่มีความคิดแบบนี้น้องโยคิดถึงป้ามีปีะคหนึงแกแ ก, แกคิดค่าตัวตายนะชีวิตเพราะชีวิตแกลําเคนมากนะอันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นอ แ, แกช่วยแกลําเคนมากนะญี่ปุ่นคนสมัยก่อนเนี่ยถ้ายากจนก็ต้องต้องขายขายลูกนะเธอก็ไปอยู่สํานักคณิสํานัก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 ขีมาตกหนาทึบเลยแต่ด้ไปฆ่าตัวตายในป่าแต่ว่ามีชายชราพึงช่วยแกไว้ช่วยชีว์แกไว้พอได้ฟังความทุกข์ของแกเนี่ยชายชราก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากฆ่าตัวตาวยตรงนั้เลยเขาบอกว่าเนี่ยจะแนะนําอย่างนี้นะให้คุณกลับไปเข้าไปในเมืองกลับไปช่วยชีวิตตามเดิมแล้วก็ช่วยใครสักคนหนึ่งวันละคนถ้าคุณช่วยใครสักคนนะ วันละคนแล้วคุณยังคิดฆ่าตัวตายนะให้คุณกลับมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณตายสมใจช่วยเธอตายสมใจเธอก็ได้สตินะก็เลยทาตามคำแนะนำของชายชร า, าไปเธอก็เลือกช่วยเด็กยากจนเพราะว่าเด็กยากจนยังชะตากรรมเหมือนเธอเลยซื้อหนังสือหนังสือให้อ่านให้เล่มหนึ่งเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่รับ ก, การอ่านมากแต่คนยากจนเนี่ยนะก็จะ จะไม่มีปัญญาซื้อหนังสือตอนหลังซื้อไม่พอน ะ, อะสอนให้สอนด้วยสอนให้อ่านออกเขียนได้เธอทํานี้เนี่ยวันละคนวันละคนวันละคนบอกว่าไม่หลังหลังจากนั้นไม่เคยไม่เคยเดินไม่เคยคิดค่าตัวตายเลยคือพอเนึกถึงคนอื่นแล้วเนี่ยนะเอความทุกข์ของตัวเองเป็นเรื่องเล็กการที่ความทุกข์มันจะบรรเทาบาบางได้เนี่ยส่วนก็เพราะว่าเราคิดถึงค น, นที่เขามีความทุกข์มากกว่าเรา แต่ตรงเนี้ยคิดคิดไปคิดไปเพราะเออเรากับโชคเดียวคนอื่นนะเรายังกินอิ่มนอนอุ่นนะเรายังมีพ่อมีแม่นะที่แบบนี้เขาเนี่ยความสุขก็กลับคืนมาเราคงเคยได้ยินใช่ไหมเด็กที่ร้องไห้นะร้องไห้เ อ, อ่อร้องไห้เพราะว่ารองเท้าขาดแม่ก็ไม่ยอมซื้อให้แต่ว่าพอไปเจอเด็กขาขาดเนี่ย เด็กนี่หยุดร้องเลยทำไมหยุดร้องเพราะเห็นว่ า, าวิญญาโชคดีนะรองเท้าเราแค่เป็นรูรองเท้าเราแค่ขาดแต่คนหนึ่งนี่เขาไม่มีขารู้สึกเลยว่าโอ้เราดีโชคดีนี่คนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยนะมันทำให้เขาเนี่ยสามารถจะคลายจากความทุกข์แล้วกลับมามีความสุขได้และสิ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะ ถ้าว่าเราเนี่ยเรียนรู้จักเรารู้จักเท่าทันจิตใจของเราธรรมชาติคนเราเนี่ยชอบคิดไปถึงอดีตไปกังวลกับอนาคตธรรมชาติคนเราเนี่ยชอบมองในแง่ลบมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีไอ้ด้านดีๆก็ไม่ค่อยมองรวมทั้งว่ามักจะนึกถึงว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เคยคิดถึงคนอื่นเท่าไหร่ ถ้าเราตระหนักว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้มีความทุกข์ทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นหาความสุขได้ยากเราก็จะเปลี่ยนไปคิดแบบใหม่ไปคิดตรงในทางตรงข้ามจะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสตินะต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดของเราใจที่มันชอบเผลอแบบดีใจที่มันชอบยิงไปอนาคตต้องรู้เท่าทันใจที่มันนะชอบที่จะมองอะไรในแง่ลบ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 ่อว่าดาทอเปียบเหมือนแก้วคมคมเศษแก้วคมคมซึ่งถ้าเราถือเอาไว้ถือไม่พอยังไปกรรมบีดกรรมบีดมันก็บาดมันก็เฉือนมือเราทำไมเราไม่ไม่วางมันลงทำไมเราไม่ทิ้งมันมันลงไปแต่คนส่วนให ญ, ญ่ไม่ไม่ยอมทิ้งนะแต่เก็บออกมา แล้วก็บี ก, ก ร, รมแล้วก็บีกลับแล้วก็บีทานก็อนร้อนๆก ร, รมมันก็ทุกแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเราประคับประง ม, มความโกรธเอาไว้ความพยาบาเนี่ยเรากับทนุธนอมมันแล้วเราก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งหมดเนี่เราเรียกว่าเป็นความยึดติดแต่จะเป็นคําพูดการกระทําหรือเหตุการณ์เช่นความสูญเสียบางคน เสียเงินไปแล้วนะแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปอักหาใหม่ก็กลับเอามาคิดถึงมันอยู่นั่นแหละมีเพื่อนคนหนึ่งโดน โ, ดนโกงมปหกแสนหกเเสียใจมากแกไม่ยอมไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยเอาแต่นั่งเจ้าจุกสุขภาพก็ย่าแย่เป็นยี่ถึงสามสี่เดือนนะทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงเธอรับเงินหรือว่ารักสุขภาพตัวเองนันแน่ คนส่วนใหญ่รักเงินมากกว่ารักตัวเองนะั้งที่เราก็บอกาปากเราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองนะแต่พอเงินหายเนี่ยโอ้โหไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่นะอยให้ร่างกายในผ่ายผอมซึมอันนี้เราว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองแล้วก็ไม่ฉลาดเลยเพราะว่าแทนที่จะเสียแต่เงินใจก็เสียสุขภาพก็เสียงานก็เสียไม่มีเรื่องแรงทํา ง, งานสมรรถภาพก็เสีย เพราะว่าไม่อยากคุยกับใครใครมาคุยแล้วก็ลังก็ลาคางต ว, วาดใส่นะคนฉลาดเนี่ยถ้าเสียเสียอย่างเดียวคือเสียเงินนะแต่ว่าแต่ถ้าคนไม่ฉลาดเนี่ยเสียแต่เงินไม่พอเสียใจเสียสุขภาพเสียงานการเสียธรรมะภาคโดยไปอีกสี่เด้งนะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ปล่อยไม่วางที่ไม่ปล่อยไม่วางเพราะอะไรเพราะไม่มีสติแบกหิน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 แต่ถ้ามือเป็นแผลเสร็จแล้วถูกต้องยาพิษก็เป็นอันตรายถึงตายอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะยาพิษมาแต่กับว่ามือที่มีแผลจริงๆถ้ามือมีแผลนะดี๋ยวว่าแต่ยาพิษเลยเจอแค่ยอดญ่าเนี่ยเจอแค่ปลายญ้ามันก็เจ็บแล้วใช่ไหมเพราะงั้นอย่าไปโทษปลายย่าอย่าไปโทษอย่าไปโทษยอดย่าอย่าไปโทษยาพิษต้องต้องกลับมาดูใจของเราว่าใจเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ มือที่มีแผลหรือป่าใจที่ไม่มีสติแล้วก็คือใจมันก็ใจที่มีที่มีแผลเจออะไรมากระทบก็ทุกง่ายมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุดาเกิดประวัติตอนหนึ่งหลวงปู่บุดาเนี่ยท่านท่านมรณภาพไปแล้วยี่สิบปีที่แล้วตอนนี้ท่านมรณะภาพนี่ก็อยุร้อยเอ็ดปีเรื่องเนี้คงเกิดขึ้นมาสักห้าสิบปีมาแล้วมีโยม น, นีมนุษย์ให้ท่านไปามาฉันเทนที่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงหบุรีมาฉันเสร็จ ก็โยมก็เห็นว่าท่านชรามากแล้วนะก็อยากให้นอนพักก่อนเที่ยงกลับสิงห์บุรีก็จัดหาห้องพักให้ท่านจำวัดก็มีลูกศิษย์ลูกหาสามสี่คนสี่ห้าคนเนี่ยมันนั่งเป็นเพื่อนท่านท่า น, านหลับอยู่นะลูกศิษย์ลูกหาก็คุยกันซิกกัสซาบกันแต่บังเอิญเนี่ยห้องข้างๆห้องที่ติดกนันเป็นเป็นห้องแถวเป็นเป็นร้านชํำนะ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 เอาหูไปรองเกีย้ยเขาเพราะไม่มีสติเมื่อมีสติเนี่ยนะก็ปล่อยให้ใจเนี่ยนะไปไปรองเกีย้ยเขานะก็เลยกลายเป็นแบกนะแต่แาทนาที่จะดูแทนที่จะไปดูไปแทนที่จะไปสนใจเสียงเกีย้ยกลับมาดูใจตัวเองมีสติก็จะเห็นแล้วอ๋อนี่เรากำลังเอาหูไปรองเกีย้ยก็จะวางเอง เ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรื่องสติสําคัญมากนะในการที่จะทําให้ เราสามารถจะเป็นสุขได้ไม่ใช่ในเวลาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายแนมะ้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเราก็มีความสุขได้ออคุณวิชัยได้พูดถึงธรรมยารานะธรรมยาราซึ่งพากันเดิน 7, เจคืน8วันแล้วก็เดินนะเดินกลางแดดนะบางคนก็ถอดรองเท้าหลายคนก็ไม่มีอะไรคลุมหัวแดดก็ร้อนนะเดินธันวาเนี่ยอีสานมันมันร้อนทีเดียว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 ให้มันเป็นเรื่องของกายไปใจไม่ได้ทุกด้วยนะอันนี้เรียกว่ามีสตินะยิ่งถ้ามีปัญญานะมีปัญญาเห็นนะว่าเออไอที่ทุกยันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของกายนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจมันก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เป็นของกายล้นๆ้นไม่ใช่ของใจแล้วนะคนที่เจริญสติจนถ้ามีปัญญาเห็นรูปนาม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 แต่ถ้ามีสติหรือและวมีหรือมีปัญญานี่นะมันก็จะทุกแต่กายแต่ใจไม่ได้ทุกด้วยหลวงปู่บุดดาเนี่ยนะมันมีตอนหนึ่งนะท่านได้รับนิมนต์อีกครั้งหนึ่งนะั้นมาฉันวันนี้ท่านมามามาเป็นคณะเลยนะนิมนต์พระมามาแต่เก้ารูปมาฉันปรกากฏอาหารมีคิดพระนี่ทั้งคณะเลยนี่อาจเจยียนกันใหญ่แต่ขณะที่พระหลุ่เนี่ยนะอาจเจยียนจนหมดแรงนอนนะพอหมดแรงเนี่ยหลวงปู่เนี่ยนั่งคุยกับโยม คุยเจ้ภาพก็อาเจียนสายกระโถดแล้วก็นั่งคุยกับโยมใหม่คุยเพื่อให้กําลังใจเจ้าภาพเขารู้สึกว่าเจ้าภาพใจเสียนะทําให้หลวงปู่เนี่ยทาให้พระเนี่ยอาเจียนกันทุกคนก็แปลกใจว่าพระหนุ่มเนี่ยนะหมดสภาพเลยนั่ น, นอนแต่หลวงปู่บุญตาคุยกับโยมได้ปกติก็ไม่ใชงปกตินะถึงเวลาเจียนท่างกาเจียนเสร็จทั้งก็มันคุยต่อคนก็สงสัยทําได้ยังไงหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่า ร่างกายของบชั้นเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่เวลาโดนยาเบื่อยางคับยาโดนยาเบื่อยางวามันก็เป็นแบบนี้แหละคืออาเจียนแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยอย่ามาปนกันคือมันที่เรียกว่าพุทธทุกแต่กายเนี่ยแต่ใจไม่ทุกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งถ้าไปถ้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกผ่าเสร็จทักพักท่ า, าก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรเพื่อนช่วยผมหมอแปลกใจพยาบาลแปลกใจผมพ่อไม่เจ็บเหรอผมพ่อบอกเจ็บสิ ร่างกายฉันก็นเหมือนคนอื่นเจ็บนะแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยอันนี้ทําำได้เนี่ยต้องมีปัญญาเห็นเห็นว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจเมื่อเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมันไม่ใช่ฉันปวดฉันเจ็บมันมีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยนี่ถ้าคุณมีปัญญาถึงขั้นนี้เลยนะคุณยิ้มเป็นสุขได้ในทุกสถานจริงๆเลยนะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวไม่ว่าจะป่วยหรือปกติไม่ว่าจะมีหรือเสียไม่ว่าจะ พบหรือพลาดเจอหรือจากสามารถเป็นสุขได้เป็นศูนย์สู่สาการเพราะนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขได้แต่มาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คงจ ะ, ะยุติเป็นเท่านี้